ตั้งเป้าเอาสุดยอดวิธีคิดถ้ารู้สึกห่อเหี่ยวท้อแท้หมดแรงนี่คือข้อมูลใหม่ที่สำคัญและควรจดจำยิ่งแค่คิดเป็นก็เพิ่มพลังชีวิตได้นั่นเพราะความคิดเป็นคลื่นไฟฟ้าชนิดหนึ่งเมื่อรวบรวมความคิดได้เข้มข้นพอก็มีอิทธิพลถึงขั้นปรับโครงสร้างสมองได้ เป็นจนวนให้ร่างกายทั้งระบบเปลี่ยนแปลงได้และที่สุดคือกำหนดชะตาชีวิตใหม่จากลบเป็นบวกจากไร้พลังเป็นทรงพลังได้จริงๆเพิ่งมีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ซึ่งนับเป็นการค้นพบสำคัญมากเกี่ยวกับอิทธิพลทางความคิดโดยด็อกเตอร์เดวิดแฮมิลตันเดวิดนำคนเล่นเป็นโ no, นไม่เป็นมาแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ทั้งหมดมีพื้นฐานการศึกษาและสติปัญญาระดับเดียวกันกลุ่มแรกถูกกำหนดให้ฝึกเล่นเป็นโนจริงทุกวันระยะหนึ่งประมาณว่าไลโดเรมีฟาซอนไปเรื่อยๆส่วนกลุ่มที่สองได้รับคำสั่งให้คิดเล่นเป็นโนในใจโดยเป็นการไลโดเรมีฟาซอนแบบเดียวกันเป๊ะก่อนเข้าร่วมทดลอง คนทั้งสองกลุ่มถูกสแกนสมองไว้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงจากนั้นพอคนกลุ่มแรกเริ่มมีกำลังนิ้วในการไล่โดเรมีก็ทำการสแกนสมองใหม่โดยโฟกัสส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมนิ้วมือผลปรากฏว่าสมองส่วนดังกล่าวมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตามค่า แต่สิ่งที่ไม่มีใครคาดไว้ก่อนหน้านี้ก็คือสมองส่วนเดียวกันของคนกลุ่มที่สองได้เจริญเติบโตขึ้นเช่นกันเพื่อยืนยันผลการทดลองด็อกเตอร์เดวิดยังทดลองไปอีกแบบคราวนี้เป็นการออกกำลังนิ้วโดยแยกคนออกเป็นสองกลุ่มเช่นเคยกลุ่มแรกให้กำคลายกำคลายไปเรื่อยๆส่วนอีกกลุ่มให้ออกกำลังนิ้วปลอม ด้วยการคิดกำคลายอยู่ในใจเฉยๆหลังจากหลายสัปดาห์ผ่านไปผลที่น่าอัศจรรย์ใจคือกำลังนิ้วของคนทั้งสองกลุ่มเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกันกลุ่มแรกเพิ่มขึ้น 53% กลุ่มที่สองเพิ่มขึ้น 35% ซึ่งเป็นตัวเลขที่มีนัยสำคัญพอจะบอกว่าความคิด ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพได้จริงจริงๆแล้วการทดลองของด็ตรเดวิดไม่ใช่แค่ให้คิดธรรมดาแต่เป็นการคิดประดับสร้างจินตภาพอย่างเป็นสมาธิกระทั่งสมองถูกหลอกว่าเกิดการเคลื่อนไหวจริงซึ่งก็มีผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงตามที่ประจักษ์กันนี่เป็นการยืนยันว่าความคิด หรือจินตภาพอันบันดาลขึ้นด้วยความคิดที่เข้มข้นพอมีอิทธิพลอย่างเป็นปรูปธรรมกับร่างกายไม่ว่าสมองหรือกล้ามเนื้อแม้ไม่ต้องมีผลการทดลองเป็นเครื่องยืนยันมนุษย์เราก็รู้สึกได้ด้วยตนเองอยู่แล้วเช่นตอนเป็นไข้ถ้าคิดว่ายังไงก็ต้องลุกขึ้นมาทำงานให้ได้ร่างกายจะตอบสนองเป็นความรู้สึกแข็งแรงขึ้น มีพละกําลังมากขึ้นแต่ถ้าคิดว่ายังไงก็ไม่ไหวแน่ๆต้องนอนนิ่งแย่ๆอยู่อย่างเนี้ยร่างกายจะตอบสนองเป็นความรู้สึกอ่อนแอไร้เรียวแรงเมื่อทราบว่าพลังจินตภาพมีผลกับร่างกายได้จริงคุณก็อาจคิดหมายได้ว่าถ้าต้นคอเกรงปวดเมื่อยอยู่ แล้วนึกในใจบริหารต้นคอสักพักความปวดเมื่อยน่าจะหายไปหรืออย่างน้อยคลายลงคิดเองลองเองง่ายๆเช่นเมื่อใดที่เมื่อยหรือรู้สึกว่าต้นคอเกร็งให้นั่งคอตั้งหลังตรงแล้วก้มหน้าให้สุดจนรู้สึกว่าคอยืดเส้นสายคลายตัวลงอย่างน้อยก็นิดหนึ่งจากนั้นให้ปิดตาลงแล้วนึกในใจ เรียนแบบความรู้สึกที่เกิดจากของจริงจินตนาการว่าค้อมศีสะลงสุดแล้วเงยขึ้นตั้งตรงสลับกันสิบครั้งเมื่อคุ้นแล้วให้นึกก้มหน้าลงสุดแบบค้างไว้นานๆเอาสักนาทีหนึ่งหากพลังจินตภาพเป็นเรื่องจริงการคิดนึกบริหารต้นคอของคุณจะต้องช่วยให้เกิดอะไรบางอย่างขึ้นมาแ น, น่ คุณอาจรู้สึกผ่อนคลายต้นคอลงอย่างชัดเจนระหว่างนึกๆึกอยู่หรืออาจจะผ่อนคลายภายหลังจากจบกระบวนการทั้งหมดและเปิดตาขึ้นแล้วเมื่อคิดอย่างมีพลังจินตภาพได้ผลเช่นนี้แล้วคุณย่อมเกิดความเชื่อมั่นแตกต่างไปคือแค่คิดชีวิตก็เริ่มเป็นไปตามนั้นคุณจะพบว่า ถ้าคิดแบบให้เกิดจินตภาพได้ก็มีพลังบันดาลอะไรๆ ไ, ได้ตามปรารถนาแม้ไม่ทั้งหมดแต่ก็มากกว่าที่คุณเคยนึกเหมือนคุณมีพลังวิเศษในตัวมาตลอดแค่ไม่เคยค้นพบมันไม่เคยมีโอกาสได้ใช้มันสิ่งที่ดีคือนับแต่นี้คุณจะสังเกตและระวังความคิดของตัวเองมากขึ้น เพราะจะรู้ชัดขึ้นเรื่อยๆว่าเมื่อคิดนึกหรือพราบพูดอะไรเกี่ยวกับตัวเองบ่อยๆรูปชีวิตก็มีสิทธิ์เป็นไปตามนั้นพูดถึงความรู้สึกเกี่ยวกับชีวิตตัวเองทุกคนย่อมนึกไปเองกันทั้งนั้นว่ารากฐานชีวิตเป็นอย่างไรก็ต้องรู้สึกนึกคิดตามนั้นหรือพูดง่ายๆว่าเกิดมาเป็นอย่างไร ก็ต้องก้มหน้าก้มตาเป็นไปตามนั้นดีได้ที่สุดแค่นั้นหรื อ, อยังมากก็ดีขึ้นได้นิดหน่อยอันนี้ถ้าจะเปลี่ยนความเชื่อแบบไร้เหตุผลก็ต้องเจาะลึกกันว่ารากฐานชีวิตมาจากไหนกันแน่หากเชื่อว่ารากฐานชีวิตคือเรื่องของความบังเอิญก็ช่วยไม่ได้ต้องรอความบังเอิญระลอกต่อๆไป มากำหนดความรู้สึกนึกคิดระลอกแล้วระลอกเล่าจนกว่าจะแก่ตายหากเชื่อว่ารักฐานชีวิตเป็นเรื่องปรมลิขิตแก้ไขไม่ได้ต้องรอต่อไปว่าพระปรมท่านจะลิขิตให้รู้สึกหรือนึกคิดอย่างไรอีกผ่านสถานการณ์ที่จะส่งมาเรื่อยๆวันต่อวันแต่หากเชื่อว่ารักฐานชีวิตเกิดจากผลแห่งกรรมเก่า คุณจำเป็นต้องเชื่อด้วยว่ากรรมใหม่ช่วยแก้ได้เพราะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแม้กรรมเก่าไม่ดีแต่กรรมใหม่ดีอะไรๆก็ต้องดีขึ้นหรืออย่างน้อยต้องไม่แย่ลงจะเชื่อเรื่องเกิดมาโดยบังเอิญเกิดมาตามโพรมลิขิตหรือเกิดมาตามวิบากกรรมตกแต่ง อย่างไรก็ต้องเชื่อตรงกันอยู่อย่างหนึ่งคือแต่ละคนมีอัตภาพของตัวเองซึ่งก่อให้เกิดคำถามสำคัญจี้ใจคือมีอัตภาพแบบนี้เราคิดจะเอาอะไรจากชีวิตนี้อัตภาพคือร่างกายแบบนี้ฐานะแบบนี้ชะตากรรมแบบนี้อัตภาพอันได้มาจากกรรมเก่าแบบนี้ เป็นฐานให้เกิดมโนกรรมเกี่ยวกับตัวเองแบบนี้เช่นเมื่อรู้สึกแย่จากฐานะยากจนก็คิดถึงรูปชีวิตที่ย่ำแย่ซอมซ่อนั่นสิชีวิตมันแย่แล้วคิดจะเอาอะไรจากชีวิตแย่ๆนี้นอกเหนือไปจากความรู้สึกย่ำแย่ซ้ำซากหรืออย่างเช่นฐานะร่ำรวยไม่มีปัญหาทางการเงิน จะมีปัญหาทางสังคมที่บ้านทะเลาะกันไม่เลิกใครคุยกับใครเป็นต้องทะเลาะกันตลอดเมื่อฐานเป็นอย่างนี้คุณจะเอาเอะไรจากชีวิตได้บ้างคุณจะเลือกเป็นคนธรรมดาที่ใช้เวลาวันละครึ่งชั่วโมงไม่ทำอะไรอย่างอื่นนอกจากนั่งนึกถึงเรื่องแย่ๆที่เกิดขึ้นซ้ำซากหรือจะเลือกเป็นคนที่แตกต่าง ใช้เวลาวันละห้านาทีนั่งนึกถึงภาพของคุณกับบ้านที่ยิ้มแย้มพูดจา ก, กันแค่นึกภาพเจาะจงว่าคุณเปิดฉากพูดอย่างไรอีกฝ่ายจึงโต้ตอบกลับมาด้วยสีหน้าสีตาเป็นมิตรได้ชีวิตก็ดีขึ้นในความรู้สึกของคุณแล้วกรรมเก่าบันดาลให้ได้มาซึ่งร่างมนุษย์ จัดเป็นอัตภาพที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนชะตากรรมมากที่สุดในสังสารวัฏกรรมใหม่คือการเลือกตัดสินใจโต้ตอบกับชะตากรรมโดยมีโมโนกรรมเป็นศูนย์กลางใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจต้องคิดก่อนแล้วจึงพูดหรือลงมือทําและแม้ไม่พูดไม่ทําใจก็จัดการบางอย่างกับชีวิตไปแล้ว ซึ่งก็น่าจะเป็นไปในทางทอดหุยให้อะไรแย่ๆลงกรรมเก่าตกแต่งให้หน้าตาดีแล้วกรรมใหม่คือการตัดสินใจเอาหน้าตาดีๆนั้นไปหลอกใช้ใครหรือช่วยเป็นหน้าเป็นตาประชาสัมพันธ์ให้งานกุศลไหนบ้างกรรมเก่าตกแต่งให้ยากจนค้นแค้นแล้วกรรมใหม่คือการตัดสินใจโกงใครบ้าง หรือพยายามพึดสู้แบบพร้อมจะล้มลุกคลุกคลานได้สักกี่น้ำกรรมเก่าตกแต่งชะตาไม่คาดฝันขึ้นมาแล้วกรรมใหม่คือการตัดสินใจโต้ตอบกับเรื่องไม่คาดฝันท่าไหนบ้างพยายามเปลี่ยนร้ายให้เป็นดีคึกขนองเปลี่ยนดีให้เป็นร้ายหรือเฉยเฉยงอมืองอเท้ารอคนอื่นยื่นมือเข้ามาจัดการแทน ถ้าเข้าใจภาพรวมทั้งหมดจริงคุณจะเห็นค่าของชีวิตวิธีมองแล้วมีเรียวแรงไม่นึกอยากปล่อยใจให้ ท, ทอ้อท้อหดหูหอเหี่ยวในเมื่อตรหนักชัดว่าความคิดนิ่งง่อยจะกดดันให้ชีวิตง่อยนิ่งความคิดเคลื่อนไหวมีสีสันจะผลักดันให้ชีวิตมีสีสันทุกการเคลื่อนไหว สุดยอดของความคิดในวันนี้คือคิดตั้งเป้าเอาอะไรก็ได้ขอแค่ให้คุณมีวันนี้ที่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานก้าวหน้ากว่าเมื่อวานเพิ่มเติมกว่าเมื่อวานส่วนสุดแย่ของวิธีคิดประจําวันคือคิดตามความเคยชินคิดแบบที่ชีวิตสั่งให้คิดคิดแบบที่คนรอบตัวครอบงำให้คิด ไม่ต้องมีเป้าหมายอะไรของตัวเองเลยตอนคิดแบบคนหัวรกวกววนอยู่กับคำไม่กี่คำที่ทำใจร้อนรนราวกับชีวิตเหลือเวลาน้อยเช่นจะทำยังไงดีจะเอายังไงดีแล้วแล้วเล่าๆนาทีนั้นมักมีแต่ทางเลือกโง่ๆอยู่เต็มหัวถ้าด่วนตัดสินใจอะไรไปจึงไม่น่าแปลกใจ อาจจะพบในเวลาต่อมาว่าเลือกผิดจริงๆสุดแท้ก็แต่ว่าที่ผิดนั้นผิดมากหรือผิดน้อยผิดไหนน่าเสียใจย้อนหลังยิ่งกว่ากันแต่ตอนคิดแบบคนหัวโล่งใจคอเยือกเย็นเป็นอิสระจากความคิดรุมเร้าคุณจะเห็นทางออกดีๆเป็นฉาก หรือกระทั่งเห็นภาพทางใหม่ที่อาจสร้างสารรค์ขึ้นง่ายๆอีกด้วยเมื่อใจว่างจะรู้สึกเหมือนเหลือเวลาว่างให้คิดได้นานเท่าที่ต้องการไม่จํากัดจําเคลียที่สำคัญคือทางเลือกอันแจ่มชัดในใจนั้นแม้มากมายหลายหลากก็เหมือนจะมีแต่ถูกกับถูกต่างกันก็แค่อันไหนใช่กว่า อันไหนแจ่มกว่าเท่านั้นโดยย่นย่อตอนไหนหัวรกตอนนั้นพร้อมจะคิดเลือกผิดตอนไหนหัวโล่งตอนนั้นพร้อมจะเห็นภาพถูกเรื่องของเรื่องคือคนเกือบร้อยทั้งร้อยพอใจจะสร้างเหตุให้ตัวเองหัวรกหมกมุ่นครุ่นคิดซ้ำไปซ้ำมากับอดีตอนาคตแลาหลายเรื่อง ใจจดใจจ่ออยู่กับดาราเจ้าโทรสาและหลายคนอยากอ่านอยากฟังแต่ชีวิตบาดซบของคนดังหลายๆรายอยากเรียนอยากรู้วิธีรวยลัดรวยล้านหลายๆแบบขอให้ได้คิดเถอะเรื่องอะไรก็ได้ที่ไม่ทําให้ชีวิตตัวเองเจริญขึ้นจริงเมื่อแน่นทึบด้วยเรื่องมั่วไรระเบียบไร้แก่นสาร ชีวิตจึงเอาแต่เจอทางตันอยู่ในหัวมองเข้าไปในหัวไม่พบอะไรมากกว่าอาดีตกับอนาคตลมล้างของตัวเองหรือไม่ก็ข่าวข่าวข่าวในที่นี้ไม่มีรอเรือนะครับหรือไม่ก็ข่าวข่า ว, าวความคืบหน้าชวนระทึกเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวของชาวบ้านสร้างเหตุให้หัวรกแต่เรียกร้องให้หัวโล่ง เป็นวิสัยธรรมดาของคนเหลวไหลเมื่อเล็งเข้ามาในหัวเราเห็นศัตรูที่ต้องเอาชนะชีวิตคุณจะเหมือนเห็นเป้าหมายที่ไม่เคยเห็นเช่นเห็นอารมณ์อ่อนแอที่ควรเอาชนะเห็นความหงดงดง่ายที่ควรเอาชนะเห็นวิธีคิดเหลวไหลที่ควรเอาชนะทั้งที่เคยเห็นพวกมันเป็นมิ่งมิดมาตั้งนาน เพียงชนะอุปสรรคแรกของวันใหม่เช่นความคิดว่าขอนอนต่ออีกนิดหรือขอแช่กับอารมณ์ขี้เกียจอีกหน่อยถ้าผ่านได้ก็เหมือนเป็นชนวนให้มีกำลังใจต่อสู้กับศัตรูในหัวที่เหลืออีกทั้งวันได้